ลำดับที่หนึ่งข้อแนะนำก่อนฟังธรรมแผ่นที่สี่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP สแผ่นที่สี่สิหหลวงพ่อขอแนะนำการฟัง MP สแผ่นนี้เพราะหลายๆแผ่นที่ผ่านมาหลวงพ่อไม่เคย แนะนำแต่การแนะนำเพียงปลปายเท่านั้นแต่บัดกันนี้จะขอแนะนำให้พวกคณะผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้รับทราบร่วมกันคือ MP3 ของหลวงพ่อมีลากรถหลากหลายในแนวความคิดเพราะนั้นก่อนที่จะฟัง MP3 แผ่นที่4ีสิกนี้หลวงพ่อขอแนะนำคณนะ ลูกหลานทั้งหลายคือ m p ็ที่ผ่านผ่านมาทุกแผ่นก่อนที่จะเริ่มแต่ละกันบางทีก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาในในช่วงนั้นในยุคนั้นในเวลานั้นก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกเราจะต้องได้ยินได้ฟังแต่ว่าหลวงพ่อเองก็อยากจะเอาออกเพือนกัน แต่คณะผู้จัดจทำบอกก็ขอร้องเอาไว้ว่าถ้าเอาออกไปก็คล้ายๆว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเกิดประโยชน์เป็นประวัติตศาสตร์หรือเป็นประวัติการที่หลวงพ่อด้ปารบถึงในยุคช่วงนั้นก็จะได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นแนวความคิดที่พวกที่อยู่เบื้องหลังต่อไปภายภาคหน้าจะได้รู้เหตุการณ์ว่าในยุคนั้นช่วงนั้น มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราได้ขอไว้อัตมาเห็นว่าอืมก็มีเหตุผลจึงได้คงเอาไว้ไม่ได้เอาออกแต่ถึงยังไงก็ยังหลงพ่อเองก็ยังเป็นวิตกกังวลกับผู้ฟังลูกหลานคณะจทหายญญาจมที่ได้ฟังบางทีพอได้ฟังเรื่องราวไม่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเอง อ, อาจจะไม่อยากจะฟัง ก็เลยไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยก็เลยปิดเครื่องไปซะก็น่าเสียดายเพราะว่าเนื้อหาสารธรรมะอยู่ข้างในที่หลวงพ่อจะต้องพูดเข้าไปในแต่ละกันน่ะ เ, เมื่อได้ฟังเข้าไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่านี่แหละเนื้อหาสารธรรมะที่พวกเราจะต้องศึกษานั้นอยู่ข้างในอยู่เลย คำโพธอ์อรัมพบทเพียงไม่กี่นาทีจากนั้นก็จะเข้าประเด็นที่หลวงพ่ออยากจะพูดให้แนะนำบอกกล่าวให้แก่ขาน่าจะทายาทโยมแต่รับรู้รับทราบเพราะนั้นการฟังอย่างที่หลวงพ่อเคยยกเป็นพุทธภาสิทธิว่า ส, สุสสังรัเตปัญญังนผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาและก็พร้อมกันก็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 แล้วก็สุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไขา้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนและก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งติดทำจิตใจให้เน่งจากนั้นก็จิตใจที่ผ่านความเน่งความสงบ แล้วนั้นนำมากันกรองไตรตรองเหตุและผลก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นการฟังไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัดทายญาติโยมทุกหมู่ทุกหมู่ทุกเหล่าต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะฟังแต่ธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินองเดียวไม่ใช่แล้วต้องฟังหลายๆครูบาอาจารย์ องนั้นแนะนําสิ่งนั้นองค์นี้แนะนําสิ่งนี้เราจากนั้นเราก็ประมวลการได้ยินได้ฟังนั้นมาพิจารณาการกรองด้วยเหตุและผลเราพวกเราก็จะได้รับข้อมูลและรับธรรมที่ถูกต้องแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติจะเกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายการกล่าวแนะนํา MP3 แผนที่4ี่นี้ก็เห็นว่าสมควรกับ การเวลาขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้คณะผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน